เป็นคนที่ชอบตระเวนทําบุญกับวัดต่างๆแต่โดนคนอื่นทักอยู่เรื่อยว่าถ้าทำบุญกับวัดทั่วไปจะได้บุญน้อยหรือกับบางวัดอาจไม่ได้บุญเลยแม้เราจะโต้ว่าบุญเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของสถานที่แต่ดูใจตัวเองก็ทราบว่าเสียกาลังใจไปไม่น้อยเหมือนกันอย่างเนี้ยจะเป็นเหตุให้กําลังบุญลดลงหรือเปล่าครับตอบ กำลังใจลดลงความปีติในการประกอบบุญก็ย่อมลดลงตามส่วนครับไม่แช่มชื่นเหมือนตอนกำลังใจยังเต็มเต็มไปได้หรอกบุญที่ทำจะมีกำลังแรงจริงก็เมื่อ 1. ขณะก่อนทำมีจิตเลื่อมใสคือนึกอยากทำด้วยตนเองไม่มีความขัดขืนฝืนใจมีแต่ความแน่วแน่ ว, ว่าจะทำให้ได้ 2. ขณะกาลังทามีความยินดี คือมีใจที่ปราศจากความโลภและความหงุดหงิดขัดเคืองใดๆเรียกว่าถวายทานด้วยรอยยิ้มจากใจใจยิ้มแค่ไหนปากยิ้มแค่นั้นไม่ใช่ฝืนแซงแกล้งปั้นยิ้มด้วยปากทั้งมีใจแห้งถ้าใครถวายทานด้วยสีหน้าบึง้งตึงเคร่งเครียดเป็นประจำก็คาดหวังได้เลยว่าเกิดชาติต่ตอๆไปเป็นพวกที่มีใบหน้าหงิกงอท่าทางบอกบุญไม่รับหมดสิทธิทาอาชีพประชาสัมพันธ์เด็ดขาด 3. หลังทมแล้วมีความปรีดาคือเบิกบานสบายนึกถึงเมื่อใดปลื้มใจเมื่อนั้นว่าเราได้ประกอบบุญแล้วสร้างที่พึ่งอันน่าอบอุ่นใจให้ตนเองแล้วด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมทั้งสามการข้างต้นก็เที่ยงที่บุญจะบรรดาศขทั้งปัจจุบันและอนาคตปัญหาของคุณคือโดนบั่นทอนกำลังใจซึ่งหมายถึงหลังทำจะขาดความปรีดาปราโมชไป โดยคร่าวนะครับจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเมื่อบุญที่คุณทำเผลดผลคุณอาจได้บ้านหลังหนึ่งเป็นรางวัลบ้านหลังนั้นอาจสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแถมอยู่ในสภาพแวดล้อมอันวิจิตชวนชื่นตาชื่นใจแต่คนอยู่แล้วกลับไม่ปลื้มเอาเฉยมีเหตุให้รู้สึกขัดอกขัดใจเล็กๆน้อยๆส่วนลึกเหมือนไม่เต็มที่กับรางวัลใหญ่ที่ได้มา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเกิดจากจิตไม่ใช่วัตถุจิตและเจตนาเป็นอย่างไรกรรมก็เป็นอย่างนั้นกรรมเป็นอย่างไรชีวิตและความรู้สึกก็เป็นไปตามนั้นคุณจึงควรรักษาจิตเพื่อประกอบบุญให้ดียาวันไว้กับอะไรง่ายๆคนที่ชอบทักให้คนอื่นเสียกำลังใจในการทาบุญนั้นทั้งปัจจุบันและอนาคตจะเป็นผู้ไม่มีกาลังใจในการบุญ โดนบั่นทอนกำลังใจเช่นกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครกล่าวว่าพระสมณะโคโดมตรัสแนะให้ให้ทานแก่พระองค์เพียงคนเดียวไม่ควรให้แก่ใครอื่นและพึงให้ทานแก่สาวกของพระองค์ไม่ควรให้ทานแก่สาวกของคนอื่นๆอย่างนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่พูดตามที่พระองค์ตรัสทั้งกล่าวตู่พระองค์ด้วยคาอันไม่ดีไม่เป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังตรัสเสริมอีกว่าถ้าใครห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าย่อมทำอันตรายแก่วัตถุสเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างหมายความว่า 1. เขาทาอันตรายแก่บุญของผู้ให้ 2. เขาทำอันตรายแก่ลาบของผู้รับ 3. เขาย่อมทำลายตนเองด้วยบาปที่ตนก่อแล้ว ฉะนั้นหากเมตตาเขาก็อย่าช่วยให้เขาทำกรรมสำเร็จโดวยวิธีง่ายๆคืออย่าใจเสียตามคำเขาก็แล้วกันครับดังตริน บ, บ, บทความจากปริมาราซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19 28มิถุนายนพุทธศักราช2550ด้าวน์โหลดเสียงอ่านและติดตามงานเขียนของคุณดังตรินทั้งหมดฟรีได้ที่ดังตริม .com d u n g t ดอทเสียงอ่านโดยโจโฉอนุสอนปรีโซภา ว่าจะรจะคิดได้ก็ s ่ายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้องดูยาวไกลเสียดายคนตายเธอต้องเดินไปโดยไม่รู้ไม่คนไม่ไาจกว่าที o สิบลอยบอกว่า The person that I.